ถึงคราวเปิ้ลแล้วของเปิ้ลช่วงหลังๆจะมันจะไปคลุกกับอกุศลบ่อยอะค่ะหลวงพ่อพอราะคลุกแล้วบางทีเราก็ชอบมีข้อแก้ตัวไปทําตามใจกิเลสพอทําเสร็จใจมันก็หมองพอมันหมองไปถึงจุดจุดนึงเนี่ยพอถอยออกมาดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปพอหายไปตรงนั้นน่ยมันจะเกิดมันแว บ, บเดียวค่ะหลวงพ่อว่ามันจะรู้สึกเหมือนกับว่า กุศลหรือว่ากุศลหรือว่าอะไรทั้งหลายแลเนี่ยมันกองอยู่ข้างนอกมันเข้ามาไม่ถึงใจมันไม่แนบถึงใจแล้วก็คือถ้าเกิดเราเห็นเห็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะจิตมันจะกระดิกขึ้นมารู้ของมันเองอ่ะค่ะไม่ต้องไปเหมือนกับบางทีเราจะไปดัดจริตปรุงแต่งให้มันแบบอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะกระดิกขึ้นมารู้เองค่ะ คือภาวนาไปจนใจเราเป็นอยู่ทางหากนะเป็นคนดูอยู่ทางหากมันเห็นนะสุขกับทุกข์ ก, กุศลกับอกุศลนะเสมอกันมันเท่าเทียมกันคือเกิดแล้วก็ดับอยู่นอกๆไม่ใช่ตัวเราอะไรของเราแต่ว่าเราก็ไม่คล้อยตามอากุศนะลนะถ้าเราปล่อยจิตให้อกุศลครอบงำเราก็จะต้องรับวิบากที่ไม่ดีมีผลเป็นความทุกข์ตามมา ถ้าเราหลงในกุศลเราก็ต้องรับวิบากมีความสุขตามมาความสุขมันก็ดูดีนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งยั่วยวนเงนินพวกที่ทาบุญทําทานทํารักษาศีลอะไรมาดีเนะี่ยบางทีพอเกิดมาดีสวยรวยเก่งอะไรขึ้นมาก็ทําชั่วได้ง่ายถ้าสติปัญญาไม่ทันมันเหมือ น, นดาบสองคมนะก็ถ้าเราจะเอามราคนิพพานเราก็มีศีลไว้ก่อน ต้องรักษาศีลไว้ก่อนอกุศลเกิดขึ้นมันไม่ครอบงําจนเราทําผิดศีลนีมันปลอดภัยถ้าทําผิดศีลไปแล้ววิบากที่ไม่ดีมันจะให้ผลแรงให้เราคอยรู้ลงไปเรื่อยในที่สุดเราจะจะเห็นนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอกุศลอกุศล น, นั้นอนะเป็นของนอกๆเหมือนกันหมดเลยใจไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายใจเป็นกลางใจไม่ปรุงแต่งต่อตรงที่หลวงพ่อบอกว่า ไม่ยินดียินร้ายเป็นกลางไม่ปรุงแต่งต่อตัวนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมพอจิตไม่ปรุงต่อรู้สึกไม่ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรความทุกข์มีอยู่ไม่ได้ในขณะนั้นที่เปิ้ลสงสัยคะ่ะหลวงพ่อคือที่หลวงพ่อสอนน้องเขาว่าค่ะว่าคือจิตจริงจเนี่ยมันจะดีแต่เปิ้ลสังเกตว่าจิตเปิ้ลมันจะชอบลงไปเสพ เสพอกุศลนะเหมือนอย่างอ่านหนังสือพิมพ์ช่วงที่มันมีข่าวแบบมันๆนะคะก็สะแบบจิตมันจะแบบลงไปกินแบบเออดีแล้วที่เราเห็นว่าจิตเข้าไปเสพทีแรกจิตอยากอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนพออ่านแล้วก็เข้าไปเสพยให้รู้ทันไปนในที่สุดเราก็เห็นความจริงจิตไม่ใช่เราหรอกเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะวิ่งไปทํามันโน้นวิ่งไปทําอันนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกดูจนละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนไป ก็เห็นว่าเขามีอยู่เขามีอยู่ก็สักว่ามีอยู่เมื่อวันวันทอดกระถิ่นมันมันดังตรินมาดังตรีนมาถึงก็ไปคุยกับหลวงพ่อข้างในคนนี้แกดูจิตคนอื่นได้ละเอียดนะแกบอกว่าแกสังเกตแล้วจิตของคนอื่นกับจิตหลวงพ่อนี่ไม่เหมือนกันตรงไหนจิตของคนอื่นนี่เวลาคิดเนี่ยนะมันจะสร้างภาพสร้างอิมเมจ มีอิมเมจขึ้นมาเลยสร้างภาพแห่งความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นตัวตวทนที่จะเข้าไปทํางานเป็นตัวตวทนที่จะไปรับรับสนองผลงานส่วนคนที่ภาวนาไปแล้วเนี่ยมันจะคิดจะนึกเกีจะปรุงจะแต่งนะมันไม่สร้างอิมเมแห่งความเป็นตัวตนขึ้นมาเลยแกมองเก่งนะแกบอกแต่ตอนแกดูไม่ใต้ไม่ลึกซึ้ง แคเห็นแต่ว่าจิตของคนที่ภาวนาดีๆแล้วเนี่ยว่างๆว่างเปล่าแต่นี่ดูได้ลึกลงไปนะเพราะว่าขณะที่มันทำงานเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นมันไม่มีการสร้างภาพแผงความเป็นตัวตนขึ้นมาพวกเราสังเกตไหมเวลาเราจะคิดนึกลุงแตกเราจะสร้างภาพแผงความเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อมันมีภาพแผงความเป็นตัวตนมันก็มีเราเป็นผู้กระทามีเรารับผลของการกระทานะ แต่ถ้ามันไม่ได้สร้างภาพแห่งความเป็นตัวตนก็ไม่มีเรากระทําไม่มีเรารับผลของการกระทําแต่การกระทํามีอยู่การกระทําอันนั้นก็เลยเป็นการกระทําที่ว่างเปล่าไม่มีผู้กระทําไม่มีผู้รับผลของการกระทําำค่อยๆสังเกตแต่อย่างตอนนี้เราหัดสังเกตเราเห็นแล้วจิตหิวอารมณ์จิตเข้าไปรู้อารมณ์ใช่ไหมไปสแสวงหาอารมณ์พอหิวต้องไปหาก่อน เช่นมันคันคันในใจขึ้นมาเว้ยเที่ยวหาหนังสือพิมพ์อ่านพออ่านแล้วมันก็เข้าไปกินอารมณ์ไปเสพเข้าไปอินมันมีเราขึ้นมามีมีอิมเมจแห่งความเป็นตัวเราขึ้นมาค่อยฝึกไปนะแต่บางทีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อพอมัทีมันเหมือนมันเหมือนว่าเราเห็นว่ามันเข้าไปเสพแล้วล่ะ แล้วเพื่นก็นึกว่ามันมีตัวรู้ขึ้นมารู้แล้วแต่จริงๆตัวรู้เนี่ยยังไม่เกิดไม่เกิดครับค่ะมันต้องพอพอรู้ว่าไม่รู้จริงเนี่ย ม, มันถึงจะเกิดขึ้นมาว่าอ๋อค่ะมันจะต่ อ, อเป็นเหมือนต่อ ไ, ไปสไักพักเลยนะคะในขณ ะ, ะที่เกิดอกุศลนั่นแนะไม่มีสติใชสติเกิดตามหลังรู้ว่าเมื่อกี้อกุศลเกิดแล้วมีโลภเข้าไปเสวยอารมณ์เข้าไปเสพอารมณ์ถูกต้องเห็น ตามดูจนกระทั่งเห็นความจริงว่าไอ้ตัวที่ทำงานอยู่นี่ไม่ใช่เราไม่มีเราเราเป็นเซนอิมเมจที่จิตสร้างขึ้นมาเพื่อมาทำงานเท่านั้นเองไยว่าไงอ้อนี่มาเรียนกับหลวงพ่อนานนะจากบ้านจากเมืองมานะทิ้งบ้านมานานจิตหนอนดิ้นเต็มที่แล้วค่ะพระอาจารย์ มันหมดแรงเอมันหมดแรงเองนะรู้สึกไหมมันหมดแรงแนละ้วมันสบาย <c oughs> ทําไมมันดิ้นอะ่ะมันมีแรงแรงของอะไรแรงของกิเลสตัณหานั่นเองเช่นอยากดีอยากปฏิบัติใช่ไหม <c oughs> อยากบรรลุมรรคผลนิพพานมีความอยากก็มีการดิ้นมีการดิ้นก็มีความทุกข์มีผู้ดิ้นก็มีความทุกข์มันจะต้องดิ้นนะ ห้ามันไม่ได้แล้วการปฏิบัติทุกขั้นทุกตอนมันจะดิ้นสุดที่สุดเด็เลยถึงเราจะเคยฟังทำครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้เอาอย่าไปปลุงแต่งเอาเนี่ยแต่เวลาเราลงมือทำจริงยังไงก็ดิ้นหลวงพ อ, อย่างดิ้นเลยแต่ก่อนน้นนะบวทกัณฑ์แรกแรกดูจิตดูใจอยู่เห็นเลยมันถือจิตอาไว้เนี่ยระวังไม่ได้แต่เราหยิบมาได้นะตื่นนอนปุ๊บก็หยิบมาเก้วนนมาดู ทำไงก็ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้วันหนึ่งปล่อยไปปุ๊ปล่อยไปแล้วก็ไปหยิบมาอีกละรู้สึกความรู้อย่างน้อยไปลไปหาโลปูสุวัตเพื่อนก็บอกทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่มีอะไรหรอกปล่อยทิ้งไปครูบาอาจารย์สอนนี้เราก็ปล่อยไม่ได้เห็นไหมมันต้องสู้แม่ใจนี้มาต่อสู้นะดิ้นรนดิ้นรนจนเป็นแจ้งอริยสัตว์ไรมถึงยอมปล่อยไอ้เมันก็ต้องดิ้นไปงั้นแหละดิ้นแล้วทุกข์ หมดแรงไปหลายรอบแล้วค่ะพระอาจารย์แต่มันมแรงขึ้นมาแรงเยอะแรงเยอะมากแรงเยอะนะบางทีมันก็เอาแรงไปฟุ้งซ่านหมดเลยแต่เอาแรงมาฟุ้งอยู่ในธรรมะอย่างนี้แหละดีแล้วดีกว่าเอาแรงไปฟุ้งในอกุศลนะสู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งหมดแรงนะต้องหมดแรงจริงๆไม่ใช่แกล้งหมดด้วยเพราะแรงเนี่ยมันเป็นแรงขับของกิเลสตันหาฝ่ายต่ําเกิดมาจากอนุสัยของเรา มันจะต้องรักษาความเป็นตัวตนเอาไว้สุดชีวิตนะีมันจะต้องรักษาความเป็นตัวเป็นตนมันกลัวว่าตัวตนจะหายฉะนั้นต้องต่อสู้สุดที่สุดเดช น, นะจนหมดแรงดิ้นเน่ยที่หลวงพ่อเคยเล่าเรื่อยๆนะสู้จนหลังชนกำแพงนะแล้วก็ถูกความทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งสุดสติสุดปัญญาไม่รู้จะทํำยังไงลนะมันอยากบีบคั้นแล้วให้บีบไปมันจะตายก็ตายไปมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเนื้อใจต้องสู้จนสุดวิสุดเด็ด ถึงจะยอมได้ขนาดนั้นดีบนแรงไปแรงนั้นเกิดจากอนุใสทั้งสิ้นมันเกิดจากความคุ้นเคยที่ว่ามันต้องมีตัวเราเป็นรักตัวเองเนี่ยงเรียนนะเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆใช้ได้นะปีกว่านี้มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเยอะรู้สึกไหมดีนะ เราเดินใกล้มากผล น, นิพพานย้อไปทุกวันทุกวันเดินใกล้มากผล น, นิพพานไม่ใช่จะเจอแต่ดอกกุหลาบใช่ไหม <c oughs> เจอกระ บ, บอกเพชรก็เจอเดินดินดิ้นดินดนะโอ๊ยนิพพานทําไมไกลนักหนาดิ้นไปเจอหนาเจออุปรสรรคมากมายเจนหมดแรงดิน้นหมดแรงแล้วอ้าอยู่ตรงนี้เอง <c oughs> อยู่ตรงที่หยุดดิ้นนี่แหละ พี่ชัดีนะอ้อยรสึกไหวันนี้รู้สึกว่าดีกว่าเมื่อวานนะมันไม่ค่อยเฉื่อยแล้วแต่เมื่อเช้านี่ยังเหมือนยังค้างค้างอยู่เออตอนนี้เหมือนจะหลุดเกือบหมดลืดหมดแล้วก็ไม่แน่ใจยังไม่หมดนะยังไม่หมดเลแต่แทรกนิดหนึ่งบางๆแต่คือเมื่อเช้านี่มันแรงจนรู้สึกได้แต่ตอนนี้มันตอนนี้มันเหมือนแค่หมอกควันเยอ่ะอันหมอกเป็นควันบางๆเนียนๆอ้วนๆอยู่ภายใน คืรู้สึกเหมือนยังไม่ปกติแต่จับไม่ได้เนี่ยจับไม่ถูกแลยวเหมือนมันอวนๆอยู่นะในอากาศเนี่ยมีกลิ่นอะไรจางๆแทรกอยู่จะดมก็ไม่ชัดว่ากลิ่นอะไรอะไรเงี้ยเราเมื่อวานนี้คือไปเห็นตอนที่ว่ามันจะเริ่มลงช่องอะครับแล้วก็ไปฝืนมันนะครับโอ้ฝืนไปไไฝืนฝืนเสร็จพอฝืนเสร็จก็รู้ว่าอา้าวไปแทรกแซงมันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยไปพอมันจะลงใหม่มันก็รู้ว่าจะลงแล้วมันก็ ค้งอยู่แป๊บหนึงมันก็ลงไปเลยเ อ, อก็รู้ว่าอ่ะลงก็ลงเเ อ, อแล้วก็มันก็ไม่รู้มันขึ้นมาอีตอนไหนนั่นแหละมันขึ้นตรงที่หมดความอยากบางครั้งนะสมมติเราส่งจิตของเราไปดูอะไรสักอย่างสมมุติเราไปดูนรกสมมตดนะแบบพอไปดูๆนะั้วมันถูกดูดนะถูกดูดจะเข้านรกอะไรเงี้ยดูดปุ๊บลงไปแล้วเราตกใจเราไปฝืนนะโอ้ยเหนื่อยเข้าก็เข้าไป ก็เข้าไปปุ๊บใจเป็นกลางนะมันหลุดลงมาเลยมันสลายตัวไปหมดก็เป็นอิสระขึ้นมาเลยต้องอย่างนั้นแหละมีโมหะครับหลวงพ่อมันก็ฟุงฟ้งๆแล้วก็คือช่วงที่มันหยุดฟุง้งมันก็จะไหลซึมลงไปอย่าไปต่อต้านมัน จะซึมก็ให้มันซึมไปใช่ไหมไม่ตอบต้านมันที่หลวงพ่อพุทธเกียรติว่าจะถูกดูดลงนรกนะก็ไม่ฝืนนะออลงไปอย่างนี้ความสุคนะั่นแหละถ้าจิตจะถูกดูดดูดเข้าช่องที่มันเคยชินเนี้่ฝืนได้ที่ไหนปวดหัวเลยไปก็ไปอความสุขมันสลายหมดเลยนี่เคล็ดลับนะถ้าจะได้เคล็ดลับเหนื่อยแทบตายก็ต้องสู้มเยอะใหญ่ เพราะฉะนั้นมีโมหะหรือฟุ้งซ่านไม่สําคัญนะสาคัญที่เป็นกลางนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นต่างหากละไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่มีโมหะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฟุ้งซ่านปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นปิดโมหะจะเข้ามาครอบเราแหมเหมือนนรกครอบเราครอบอย่าไปต้านมันสิครอบก็ครอ บ, รอบโอ๊ยมัวละรู้อะไรไม่รู้เรื่องละรู้ว่าไม่รู้เรื่อง ไม่ต้องรู้ให้ชัดมันมันต้านตลอดเลยครับหลวงพ่อ<ช>พอมันถึ ง, ถงว่ามีอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บมันจะทําทันทีครับถือศีลห้าพอแล้วส่วนทางใจเนี่ยไม่ต้านเอาอย่างนี้นะทางใจตามรู้ไปไม่ต้านกิเลสแต่ว่าทางกายทางวาจาเนี่ยต้องมีศีลตัวนี้ถึงสําคัญนะถ้าเราขาดศีลห้าเราก็ปัญหามากเลยแทนที่จะไปนิพพานจะไปอบายแทน หลวงพ่อค้าอย่างคุณเนี่ยกว่าจะพัฒนาได้ต้องถึงร้อยชาติเหมือนตัวอย่างไหมคะอะไรนะถึงส่ <laughs> แต่ชาตินี้ชาติที่ร้อยมักงมันไม่ใช่ง่ายนะกว่าที่เราจะก้าวมาจนถึงจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เสื่อมถอยนี่นะลงเร็วมากเลย แต่เว ล, ลาที่จะกระเถิบกระเถิบขึ้นมานะ่ะยากมันต่อสู้รแรงดึงดูดของกิเลสน่ะมันกค่อยๆกระเถิบกระเถิบขึ้นมาต้องฉลาดในการต่อสู้ไม่ใช่มีแต่เรี่ยวแรงนะอาวุธของเราก็คือคุณงามความดีทั้งหลายนะสติสมาธิปัญญาตอนไหนสติก็มีสมาธิปัญญาไม่มีอะไรเหลือแล้วนะยังมีศรัทธาอยู่นี่ยอย่างน้อยก็ต้องเหลือศรัทธาไว้ ศรัทธาที่ว่าทุกวันนี้เรายังทําไม่ได้แต่คนที่ทําได้เขามีอยู่หรือพระพุทธเจ้ากับครูบาอาจารย์ทํามาแล้วอะไรอะตอนหน้านี้เขาก็ลําบากเหมือนเราพระพุทธเจ้าก็ลําบากเห็นไหมตกนรกแล้วตกนรกอีกด้วยไม่ใช่ว่าจะดีพิเศษตลอดไม่กว่าคนคนหนึ่งจะพัฒนาจนถึงความหลุดพ้นได้นะยากมากเลยแต่ถ้าไม่ถอยนะเดินไปเรื่อยรู้สึกไหมจิตเราสร้างอะไรขึ้นมา ดูออกไหมโดยพื้นพื้นของเราทุกวันเนี้ยเราติดอะไรอยู่อย่างหนึ่งดูออกไหมเออรู้ลงไปเลยเนี่ยอ่ะเบอร์แปดสิบสามก็เพิ่งมาเป็นครั้งแร ก, ก น, นะครับแล้วก็แต่ว่าฟังซีดีของพ่อมาสักพักแล้วครับก็พยายามตามรู้ตามดูอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจระหว่างการที่เราไปเพ่งมันหรือการที่เรารู้ตามมันมันแยกง่ายๆนะ ถ้าเราไปเพ่งมันเนี่ยสือมา่เราไปดักดูไว้ก่อนอถ้าตามรู้หมายถึงสภาวะเกิดก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาทีหลังเช่นเผลอไปก่อนเรารู้ถ้าไปดักดูนั่จะกลายเป็นนั่งจ้องแบบหนึง่งแล้วก็ถ้าผลของมันก็ต่างกันถ้ามันเป็นการรู้เนี่ยใจจะโล่งเลยถ้าไปจ้องไว้น่ใจจะแข็งแข็งใจะจะหนักหนักหนักหนักถ้าหนักหนักเนี่ยผิดแน่นอนอแต่ไม่ต้องแก้นะเพราะมันเป็นวิบาก มันเป็นผลแก้ไม่ได้ผลต้องรับไปนะไอ้หนักๆนั้นนะแล้วก็มันก็จะเกิดกิเลสใหม่คือไม่ชอบหนักๆนี้เกิดการกระทํากรรมใหม่หาทางแก้ไขเกิดวิบากใหม่ด้วยหนักอีกหนักยิ่งกว่าเก่างั้นให้รู้ไปนะมันหนักขึ้นมาก็รู้ไปมันเป็นผลของกรรมซึ่งมีกิเลสคือความอยากจะดีอยากปฏิบัติอยากสุขอยากสงบอะไรเงี้ยซ่อนอยู่ข้างหลัง ให้เรารู้ลงไปเรื่อยๆเลที่ฝึก อ, อยู่ใช่ได้ครับผมแล้วอย่างการที่เราฝึกทำสมถะในระหว่างคือช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ระหว่างวันก็คือตามรู้ตามดูเนี่ยใช่ใชมันจะมีผลแต่<ม> ต, ต้องสมถะถูกต้องนะถ้าสมถาถะผิดนอกจากไม่ช่วยส่งเสริมแล้วยังทวงเลยสมถะส่วนใหญ่ที่พวกเราทำกันเนี่ยจะประกอบด้วยโมหะนั่งแล้วซึมเช่นนั่งแล้วก็น้อมใจดูออกไหย ลงไปเนี้ยนึกว่าสงบนะนั้นฝึกโมหะพอออกมาอยู่ข้างนอกนี่โมหะก็จะแทรกออกมาด้วยนั้นสมาธลองทำให้หลวงพ่อดูวางไมโครโฟนไปทำใจให้สบายกใจแข็งกระด้างไปตอนนี้เต้นเต็นเรารู้สมมติว่าเราทำสมาธเออมันสายอย่าง น, นรู้ว่ามันสายไปแต่อย่าน้อม ใ, ให้ไหลเข้าไปซึมซึมนะ ให้ใจเราเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆอย่าน้อมให้ซึมเข้าไปข้างในเอาพูดใส่ไม้ก็ไม่ได้ยินมันจะมีอยู่สองแบบคือว่าเราจะเคลิ้มไปเลยเออหรือถ้าเราพยายามจะรู้ตัวเนี่ยมันจะมีส ว, ว่างขึ้นมาออแต่พอมันสว่างเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะเหมือนจะทำสมถะไม่สำเร็จเพราะมันไม่เคลิมอมผมก็เลยสมถะจริงๆไม่ได้เคลิมหรอก แลนะเวลาที่จิตรวมกระทั้งเข้าอัปปนาสมาธิแนละ้วมีสติตลอดสายเลยออ oh, <okay. S 2> ไม่ขาดสตินะ mm hmm. มันรวมลงไปจกนกระทั่งโลกธาตุดับเนี่ยไม่ขาดสติมัวมัวเบลเบลนั่นโมหะเพราะงั้นครูบาอาจารย์จะสอนว่าอย่าไปทําโมหะสมาธิเขยได้ยินไหมสมาธิซ mm hmm. ึ่งประกอบด้วยโมหะ mm hmm. ซึมอยู่นั่นะพอออกมาแนละ้วก็ติดซึมออกมาพ อ, อ, อมากระทบโลกข้างนอกก็ขี้โมโหพอ mm hmm. อยู่ข้างในมันซึมดีได้ที่ดี ออกมาข้างนอกเลยโมโหเก่งอ๋อโอเคครั บ, ร บ, รบใช้ได้ที่ฝึกอยู่ดีก็พยายามคงอารมณ์นี้ไว้ใช่ไหมครับทําความสงบแต่ไม่ให้ขาดสติครับ <g ül> จะสงบ ก, ก็ช่างไม่สงบ ก, ก็ช่างทุกวันภาวนาในรูปแบบอันใดอันหนึ่งที่เคยทยําอย่างเีื่อกี้แล้วจิตมันส่ายรู้ว่ามันสา่าแลนน้วมันนิ่งรู้ว่ามันนิ่งหัดไปอย่างนั้นแหละออมาอยู่กับโลกข้างนอกนะมันก็จะเจริญสติได้เร็ว ส่วนถึงเวลาภาวนาก็ดูไปอย่างนั้นสายไปก็รู้นิ่งอยู่ก็รู้ถึงจุดหนึ่งจิตจะเข้าพักก็ไม่ฝืนจิตเข้าพักก็จะพักสว่างขึ้นมากระจ่างนะนิ่งๆสบายอยู่ไม่ขาดสตินะไม่ได้เบลือเบเคลิมเคลพอหมดแล้วก็อย่าไปติดอยู่ในความว่างๆอันนั้นที่มันมีความสุขถ้าติดอยู่ในนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกก็ใช้ไม่ได้อีกพอออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วก็ติดความว่างเนี่ยติดให้ดู จะติดเดยอะไปติดเดยอะในความบ้างๆอะไรเงี้ยมันผิดธรรมดาเออันนี้มันดูจิตคนอื่นได้นะ <c oughs> รู้สึกตัวไว้ครับตอนเนี้ยจิตออกนอกแล้วรู้สึกไหมครับจิตไม่เข้าที่แล้วไม่ไปดูจิตคนอื่นนะครับยิ่งมาดูจิตหลวงพ่อเดี๋ยวหายไปเลยตายเลยขอบคุณครับรู้สึกไหมจิตเสียไปเล ย, ยกลับไปเริ่มนับหนึ่งนะ <c oughs> ทุกวันนับหนึ่งไว้ อยู่ที่ไหนอยู่จากตรังครับผมอยู่ต ร, รังเช่หรือโอมาไกลครับครับยามรู้สึกนะรู้สึกเลยแล้วนี่แต่ฮะตอนเวลาทำสมาธานินี่หน้ามันจะงายแล้วมันจะอย่างนี้ตลอดเลยครับมันมันเจ็บตลอดเลยมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับทำสมาธิผิดแหละครับเ อ, อย่าไปยาวอําน้อมให้มันซึมซึมเลอะเลอไปแล้วจิตใต้สํานึกมันทํางานขึ้นมา <Okay. S 2> บางคนดิ้นพลาดพลาดเหมือนปลาเหมือนลิงเหมือน oh, อะไรง <okay. S 2> <ต>ันไปคไม่เอาสมาธิอย่างนั้นมิจฉาสมาธินะคร <Okay. S 2> ต้องสมาธิรู้สึกอย่างนั่งที่ให้หลวงพ่อดูตะเกียะนั่งดูอย่างเงี้ยตะเกียะเห็น hmm. จิตมันสายรู้ว่าสายจิตสงบรู้ว่าสงบ mm hmm. ถึงจุดที่เขาจะเข้าพักเขาจะสว่างขึ้นมาอยู่ในความว่าง mm hmm. ออกจากตรงนั้นมานะจิตยังอะไรอวรนชอบอกชอบใจให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็จะติดอยู่ในความว่างอย mm ่า hmm. ตอนนี้จิตมันติดลนะ รู้สึกไหมครับมันมองไม่เห็นอย่างอื่นเลยอ๋อมันติดไปหมดแล้วครับต้อ <c oughs> ให้ไข่เข็งกหัวให้สักทีก็หายเมื่อก่อนดูหนังหนังญี่ปุ่นเ <c oughs> ห็นมอาจารย์ถือไม้ใช่ไหมใครตีตอนเราเด็กๆนะนรู้สึกโอ้เราไม่บวชหรอกวันนี้สาดิส <c oughs> <c oughs> ที่แท้พอใจเคลิ้มนะก็โดนละหรือใจไปเกาะไปเกี่ยวอะไรก็โดนละ อาจารย์ไม่ได้บ้านะเดินเคาะเล่นๆแต่จริงในหนังนะมันก็มั่วๆนะไม่ได้เคาะเบอร์แปดสิบสามอย่าไปดิ้นรนให้มันหายครั บ, รบมันผิดที่ดิน้นอ่ะเบอร์แปดสิบแปดใจเต้นมาไม่ไม่เคยมาเลยคะ่ะแล้วก็ไม่เคยฟังอะไรด้วยอะคะ่ะก็พอดีมากับน้องชายค่ะแต่ว่าก็รู้สึก คือพยายามจะฟังอยู่แต่ว่าไม่ไม่เข้าใจคำพ<จ>ูด <laughs> ทางใครทางมัน <laughs> หลวงพ่อสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกทางใครทางมันไปฟังซีดีนะอย่าขี้เกียจนะเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังฟังเรื่อยๆไปเบอร์แปดสิบสามมาดูจิตเราทีเดียวเสียเลย ห, หมดเรี่ยวหมดแรงไปเลย <laughs> อ้าวพ่อ จิตมันจะปรุงแต่งฝ่ายอกุศลอยู่เกือบตลอดเวลาเลยครับหลวงพ่อแล้วก็เช้าเนี่ยอกุศลตัวไหนเกิดบ่อยตัวกี้ฉามั้งใช่ใรู้สึกอิจฉาเต็มไปหมดเลยถูกต้องถูกต้องที่คนภาวนาดีแล้วจะให้ตอิาตัวนี้แหละดีที่ป่อกลรู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าไปจับมันเห็นมันโผล่ออกมาแล้วเราดูเฉยๆนะใจของพ่อกระจายเกินไปรู้สึกไหม วันนี้รู้สึกมันไม่มันไม่มีเรี่ยวมีแรงครับเราก็รู้ว่าไม่มีเรี่ยวมีแรงเป็นเพราะอดนอนหรือเปล่าคเป็นไปได้แต่ว่าพออยู่ในสภาวะนี้แล้วอย่าไปเกลียดมันเหมือนตอนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รู้สึกภาวนาไม่ค่อยเป็นเออไม่ต้องเป็นรู้ว่าภาวนาไม่ได้รู้แค่นี้พอละแล้วพอใจในสภาวะอนนี้อย่าไปเกลียดมัน แล้วก็อิจฉาคนอื่นเราก็รู้ไปอิจฉาเรารู้อิจฉาเรารู้นะมันแบบเต็มไปหมดเลยดีดีออกมาเต็มพื้นที่ตอนนี้ก็ยังกระจายกระจายอยู่อเออจิตกระจาย<ม>กระจายครับถูกต้องรู้ว่ากระจายอย่าดึงครับครับก่อนมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านสาสิบกว่าพรรษาอาจารย์ชื่ออะไรทรงศักดนะิ์อาจาสรงศักดิ์ท่านบอกว่าท่านฟังโยมส่งกันบ้านนะท่านรู้สึกน่ารักมาก วันนั้นมีโยมคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าผมดูแล้วผมรู้แล้วจิตของผมเป็นมารมีแต่ความชั่วร้ายอิจฉาริษยาอะไรอย่างนะี้นะเห็นใครเขาดีกว่าไม่ได้จิตผมเป็นมาร น, นี่หลวงพ่อก็บอกเออดีที่รู้ทันใช้ได้อาจารย์ทงศักดิ์ท่านบอกว่าพระจะไม่พูดอย่างนั้นพระจะต้องมีมานาอัตตาวางฟอร์มจะไม่กล้าพูดซู้ๆอย่างโยมท่านรู้แล้วว่าทําไมโยมมันภาวนาเก่ง <c oughs> ก็เราซื่อซื่อิจฉาเรารู้ว่าอิจฉาใช่ไหมเราไม่ต้องวางฟอร์มต้องมีหน้ากากทองคำมาหนึ่งไว้ใส่ไว้หลอกลวงผู้อื่นรู้ไปซื่อๆเ้ี๋ยวมีสี่ห้าตอนนี้เนี่ยรู้สึกใจมันจะชืดผิดปกติ เ, เป็ น, นธรรมดาตมันรู้สึ ก, กตมงเชื่ล<ะ>โลกนี้จืดให้รู้ลงไปนะกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะเลยอะครับรู้สึกไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ย่าเฉย มัจะออกเฉยครับใ ห, ให้รู้ทันว่าเฉยเฉยก็เป็นกิเลสคือเราอย่าไปโดนกิเลสหลอกกิเลสสงสัยเมื่อก่อนป้อเต็มไปด้วยความสงสัยตอนนี้ไม่ค่อยสงสัยแล้วแต่ว่าเฉยเบื่อเฉยใจเมื่อภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะมันจะเบื่อมันจะเห็นทุกอย่างไร้สาระหมดเลยก้ะทังร่างกายจิตใจนะความสุขในโลกซึ่งเคยได้มาแล้วตื่นเต้นกลายเป็นของจืดจืด เพื่อมันมีปัญญามากขึ้นเราก็ให้รู้ว่าใจมันจุดชืดรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งในสุดใจก็จะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเห็นโลกจุดชืดแต่ใจมีความสุขโลกจุดชืดดึงดึงดูดเราไปไม่ได้แล้วแต่จิตเรามีความสุขอยู่ตอนนี้เราเราไปเห็นความจริงว่าโลกจุดชืดแล้วเราเลยปลอยจุดชืดตามโลกไปด้วยไหมจิตมันจืดชืดไปด้วยเพราะอะไรเพราะจิตนี่มันเคยรักกับโลกโลกเคยให้ความสุขมัน ตอนนี้เห็นความจริงแล้วโลกไม่ได้ให้ความสุขจิตใจก็เลยจุดชืดไปด้วยให้รู้ทันลงไปนะต่อไปนี่โลกจุดชืดแต่จิตจะมีความสุขนะถัดจากขั้นนี้ไปอ่ะไปส่งต่อต้องรู้สึกไหมทําอะไรอยู่เกินจริงอยู่นิดนึงรู้สึกไหมเออมันคือสิ่งซึ่งเราคุ้นเคยที่เราสร้างมาตลอดแต่ตอนนี้เปลือกที่เราสร้างนี่บางลงไปแล้วดูออกไหม แต่ยังไม่หมดนะไม่ต้องพยายามทำให้มันดีเริ่มละเริ่มละเริ่มจะสร้างภาพแห่งความเป็นต้องต้องขึ้นมาแะรู้สึกไหมค่ะต้องผู้เป็นคนดีเพราเวลามันไม่ดีเราก็ว่าไม่น่าใช่เราอันนี้ไม่ใช่เรา อ, อ, อ, อนะตัวปลอมนะเห็นไหมหลวงพ่อนะถ้าลูกศิษย์เรียนเก่าๆแล้วหลวงพ่อจะโหดร้ายนะใครใส่หน้า ก, กากมาจะฉีกมันฉีกนะถ้าลูกศิษย์ใหม่ๆก็โโโโวไว้ก่อนนะ <laughs> เก่าวๆก็หนักหน่อยพระเจ้าบอกเลยว่าเราจะปฏิบัติต่อพวกเธอนะเหมือนช่างปั้นหม้อที่นวดดินะ่ะทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกนะทุบด้วยมือเหยียบด้วยเท้าอะไรเงี้ยใครทนได้ก็ได้แก่นแต่คนใหม่ๆของพ่อก็โอ้โหพก่อนนะเดี๋ยวตกนรกไม่ใช่ <laughs> เลยเหนียวมูหโทโศอ้าโยมเบอร์สี่สิบห้าจิตวันนี้กับเมื่อวานต่างกันยังไง วันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอิสระใช่ค่ะดีนะแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยอ่าดีใช้ได้ค่ะนะภาวนาเป็นแล้วเราก็ดูของเราไปแต่ละวันไม่เหมือนกันหรอกนะวันนี้ร้อยวันนี้ห้าสิบวันนี้ติดลบเลยอย่าเงี้ยนะดูไปเรื่อยดีภาวนาหลวงพ่อเห็นพวกเรานะวันนี้หลวงพ่อก็ชื่นอกชื่นใจนะแต่ละคนภาวนาได้คุ้มกับความเหนื่อยของเรา อ้าวโมเบอร์นี้สีชมพูเบอร์อะไร อ, อ๋อชุดน้อยอ้าเออวันนี้เบาค่ะหลวงพ่ออืมแล้วก็อืมเดี๋ยวนี้เวลามีภัตตามากระทบนะคะหลวงพ่อบางทีก็แรงๆแต่ว่าความรู้สึกที่ออกไปอะ่ะมันกระเพื่มอมรู้สึกไหมอินและค่ะเอ อ, เ อ, อมันกระเพื่อมนิเตียว่าค่ะหลวงพ่อจนมันเหมือนกับบางทีเหมือนเราเป็นคนใจดำหรือเปล่า ควรอะไรนะเหมือนเรากลายเป็นคนใจดําหรือเปล่าเวลามีมีภัสสะมากระทบแรงๆอยากได้ข่าวร้ายๆอย่างเงี้ยค่ะ เ, ออเราจะรู้สึกกระทบรู้สึกเ อ, อ, อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเบาเออไม่แรงเหมือนแต่ก่อนเนี้ย<อ>ค่ะก็ดีแล้วแต่ตรงที่อารมณ์เบาๆก็ต้องดูนะเบาเพราะมีสติปัญญา<ม>เห็นทุกอย่างไร้สาระนี่อย่างหนึ่งนะเบาเพราะประคองใจให้นิ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งของโยมยังมีประคองอยู่นะหลุดออกไหม แต่ว่าประคองน้อยลงโปลงมากขึ้นแต่ยังมีรู้สึกไหมยังมีความเป็นน้อยอยู่รู้สึกไหมน้อยต้องมีความเรียบร้อยอย่างนี้ <c oughs> นะนึกออกไหม <c oughs> นี่ลูกศิษย์เก่าหรือลูกศิษย์ใหม่ล่ะจะสมัครเข้ากลุ่มไหนในกลุ่มต้องอะค่ะ <c oughs> <c oughs> กลุ่มอดทนนะ <c oughs> ถ้าแต่เป็นกลุ่มอดทน <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเราก็ยังสร้างอยู่ ถึงเราจะสร้างน้อยลงนะแต่เราก็ยังสร้างรู้สึกไหมเราต้องมีมาสของเราอย่างเนี้ยเราจะทำอะไรก็ต้องมีความเป็นเราซึ่งดูดีๆอ่ะ ด, ดิตรงนี้ไม่เหมือนตะกี้รู้สึกไหมตอนนี้เป็นตัวเองหน่อยค่ะใช่ตัวเองร้ายออกดูออกไหมร้ายมากค่ะน่านัน่นต้องอย่างนั้นไปส่งไปเอาตัวเองออกมาให้ได้อย่าเอาตัวปลอมมาให้หลวงพ่อดูช่วงนี้ที่ผ่านมาครับหลวงพ่อรู้สึกไหม สบายไม่ไม่แกล้งทําเป็นเรียบร้อยครับที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยครับแต่ขยันดูอยู่<ด>ช่วงนี้ขยันมากครับดีนะดูเล่นๆครับดูเล่ น, ลนๆยังไม่ค่อยไม่ไม่มีส่วนได้เสียครับแล้วสภาพจิตใจตอนนี้เป็นใช้ได้ดีและครับเพิ่งมาก็กลัวไหมตื่นเต้นเออตื่นเ ต, น ต, นต้นนะกนะ็ไม่เคยฝึก วิปัสนาครับฝึกแต่สมถะครับฝึกแบบไหนสมถะก็แบบสมาหลังบ้างพุทโธบ้างครับนีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงถ้าเกิดสงบนิ่งแล้วก็ถึงต้องละวางอารมณ์ตรงนั้นเสียคือเราไม่ได้ฝึกเอาความสุขความสงบอะไรนะคนที่ฝึกให้มีความสุขมีความสงบยิ่งกว่าเราก็มีอย่างอาราดาบทุทกระดาบทเคยอ่านพุทธประวัติไหมรู้จักตาบทคู่นี้ไหม ดา บ, บทู่นี้เข้าฌานเก่งตอนที่พระพุทธเจ้าตรั ส, สรู้แล้วคิดถึงดา บ, บทู่นี้แล้วท่านก็อุทานบอกชิบหายแล้วไม่ได้อุทานว่าโอ้เปลื้มจังเลยไปเป็นปลมไม่ได้อุทานนะการที่ใจเรานิ่งอยู่เนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์ในกายทุกข์ในใจเพราะใจเรามีแต่ความสุขเฉยๆอยู่งั้นการที่จิตไปติดในฌานในสมาธินิ่งสงบสบายอยู่เนี่ยไม่ทาให้เบื่อหน่ายคลาหนัดไม่ทาให้หลุดพ้น แต่ถ้าเราไม่ได้ไปติดอยู่ในความสุขของฌานนิ่งเฉยอยู่นะจิตใจเราอยู่ข้างนอกเนี้ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราจะเห็นไตรลักษณ์เห็นแต่ความไม่เที่ยงเพราะว่าเห็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่ามีปัญญานี่แหละถึงจะหลุดพ้นนะนี่คือคําตอบที่ว่าทําไมทําสมาธิอยู่เฉยๆแล้วไม่พอทําทสมาธิเฉยอยู่ก็มีแต่ความสุขแทนที่จะเห็นกายเห็นใจว่ามันมีความทุกข์คือสองสัย นิดนึงครับไ ม, ไม่ไม่แน่ใจว่าฟังเทปหรือว่าฟังซีดีหรือว่าหนังสือของหลวงพ่อครับว่าเวลาที่มีอารมณ์เข้ามาไม่ว่าจะสุขหรือทุกเนี่ยถ้าบางคนเนี้ก็คือว่าพอลมเข้ามาก็คือว่าตัดตัดอารมณ์เสียแล้วก็แต่ว่าหลวงพ่อก็จะบอกว่าให้ให้ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่เข้าใจครับคือตัดอารมณ์เช่น อย่างส่วนเราเห็นสาวๆ เ, เห็นสาวสวยแล้วใจเราจะมีราคาอย่าไปดูมันเลยใจเราจะได้ไม่มีราคาสิ่งที่ต้องการคืออะไรต้องการใจที่สบายไม่มีราคะแต่ถ้าเราจะทํำมิฟัชน ana นะตาเรามองเห็นสาวสวยเราจะเห็นเลยจิตนี้อยู่ๆมันก็ปรุงราคาขึ้นมาได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันปรุงขึ้นมาได้เองเราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วจิตไม่ใช่ตัวเราดังั้นเราไปตัดอารมณ์ทิ้งเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดปัญญา ดังนให้เรารู้อารมณ์ทั้งหลายตามที่เข้าเป็นเมื่อรู้แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดชอบเกิดไม่ชอบอะไรขึ้นมาให้เราตามรู้ไปเราจะเห็นว่าเมื่อจิตกระทบอารมณ์แล้วจิตก็กระเทือนขึ้ น, นมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันได้เองเราะนั้นเราภาวนาทำวิปัสสนานะเพื่อให้เห็นว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเราหรอก แต่ถ้าทำสมาธแล้วก็ทำไปเพื่อให้กายให้ใจมีความสุขมีความสงบคนละวัตถุประสงค์กันนี่ความสุขความสงบใดๆก็ตามเป็นของโชวคราวทั้งหมดเลยเราเข้าฌานเดี๋ยวเราก็ต้องออกจากฌานใช่ไหมก็เสื่อมยิ่งคนติดฌานนะพอออกมาข้างนอกแล้วชี้โมโหยิ่งอารมณ์ร้ายเพราะว่าอยู่ข้างในสบายออกมาข้างนอกกระทบอะไรนิดหนึ่งทนไม่ไหวแล้วไม่เหมือนคนทำนิพนานะ กระทบกระทั่งอารมณ์ไปแล้วก็เห็นใจมันทํางานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างเราเบังคับไม่ได้เลยตาจะมองเห็นเราก็เลือกไม่ได้ว่าต้องเห็นแต่ของสวยหอจะได้ยินเสียงก็เลือกไม่ได้ว่าต้องได้ยินแต่เสียงเพราะๆเสียงชมอะไรเงี้ยเราเลือกไม่ได้พอเราเลือกไม่ได้นะพอกระทบเข้าไปปับ๊บใจกระเทือนขึ้นมากระเทือนแบบพอใจบ้างแบบไม่พอใจบ้างยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าใจมันโมโหขึ้นมาแนละ้วใจมันโลภขึ้นมาแล้วมันเป็นของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเรา ถึงจุดหนึ่งรู้เลยว่าตัวเราไม่มีเรียกว่าการทำวิปัสสนาทำจนละความเห็นผิดว่ามีตัวเราทำจนหมดความยึดถือว่ามีตัวเราสองขั้นตอนเบื้องต้นละความเห็นผิดว่ามีตัวเราด้พระโสดาบันเบื้องปลายละความยึดถือในกายในใจเป็นพระอรหันต์ไม่เกี่ยวอะไรกับการนิ่งแต่ว่าการนิ่งเป็นการทักผ่อนในเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาไปมากๆแล้วเราเหนื่อย หรือจิตเราฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องเราก็เข้ามาทําสมถะให้จิตใจสงบมีความสุขพอจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุคนี้เรากลับมาทํำวิปัสสนาต่อได้ละฝึกอย่างนี้นะขออีกนิด น, นึงครอหนึ่งก็คือว่าอย่างกายนี้เราใช้ตาดูได้ใช่ไหมฮะอย่างจิตนี้ใช้อะไรเป็นเครื่องดูครับโดยใช้สติเป็ตัวรู้มันอย่างเวลาคุณโกรธคุณรู้สึกไหมเรารู้สึกออา นะเราไม่ได้เอาตาไปดูหรอกจริงๆร่างกายเรานี้ก็ไม่ได้เอาตาไปดูนะคุณลองหลับตาซิคุณรู้สึกไหมว่าร่างกายมีอยู่เราไม่ได้เอาตาไปดูหรอกเราหลับตาเราก็รู้ใช่ไหมกายยังมีอยู่ครับมีมีวันหนึ่งอะครับมันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบพยายามจะหลับตาให้ได้เลยแบบถ้าเกิดฝืนไม่มันจะปวดหัวอะไรย่าเงี้ยครับ อ่าครนี้พอได้หลับตานั่งสมาธิอะไรครับแล้วมันก็พอถัดมามันก็เปลี่ยนไปก็คือว่าใจเนี่ยมันจะมันจะนิ่งแล้วความคิดมันจะเหมือนแบบผุดผุดขึ้นมาผุดผุดขึ้นมามหรือว่เวลาเวลาหลงใจลอยแล้วแบบกลับมามันก็จะเห็นชัดอะไรเงี้ยครแล้วก็เวลานั่งสมาธิอะครับมันก็หมายก็ว่า นั่งได้สบายขึ้นอมันวางจิตยังไงไม่รู้ฮะแบบว่าเหมือนใจแบบมันไม่เฉยๆไม่เกาะอะไรแต่ว่าสังเกตลมหใใลายใจไกลๆอืแล้วอ่าความคิดเกิดขึ้นก็รู้อะไรเงี้ยให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยครับฮนะแล้วก็นั่งได้นานขึ้นแต่ที่จะถามหลวงพ่อคือว่า เวลานั่งเนี่ยครับมันจะเห็นแวบแวบแวบใช่ไหมฮะเข้าใจว่าเป็นภาพเป็นภาพที่ความคิดมันคิดขึ้นมาแล้วมันชัดมากอ่าผมก็ไม่รู้มันเป็นภาพอะไรใช่ไหมฮะก็มีวันหนึ่งอยู่ในสมาธิก็แบบพยายามจะหน่วงภาพนั้นแล้วมันก็จะเห็นภาพนั้นชัดแต่พอเวลาออกมาเนี่ยมันจะจำอะไรไม่ได้เลยก็สงสัยเพราะมันไม่เหมือนนิมิต นิมิตคือแบบออกมาแล้วมันจะมันจะจําได้แต่มันจะมีสติเหมือนกันจะอันนี้จําไม่ได้ดีแล้วล่ะถูกต้องแล้วมันมันคืออะไรคือเวลาที่ใจมันไปรู้อะไรมันสักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันไม่สําคัญมั่นหมายลงไปพอรู้แล้วก็วางทิ้งไปเลยงั้นถอยออกมาแล้วก็ลืมไปหมดแหะแต่จิตมันรู้เราไม่รู้ แล้วแล้วทำไมนิมิตมันจำได้ครับนิมิตนะจิตยงเข้าไปสำคัญมั่นหมายอยู่พออกพอใจอะไรเงี้ย oh. แต่นั้นจิตในขณนะนั้นมันสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆนะไม่ได้ย้าลงไปจำลงไปอ oh. งั้นเวลาที่เราเข้าไปสัมผัส ธ, ธรรมะละเอียดภายในเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเข้าใจลึกซึง้งแต่พอเราถอยเอามาสู่โลกภายนอกแล้วเราไปนึกถึงธรรมะไอ้ที่เราเข้าใจตะกี้นี้นะมันจะตื้น จะรู้สึกพูดออกมาแล้วตื้นๆไม่เหมือนที่เราสัมผัสอยู่ภายในที่ฝึกอยู่ตอนนี้ดีมากแล้วนะอย่าไปหุ่นวายอะไรนะฝึกต่อไปอย่างเดิมนี่แหละ<อ>รู้สึกไหมหเราเปลี่ยนไปมากแล้วก็บางทีมันรู้สึกฝึกๆไปมันเหมือนไม่ใช่ตัวเองแล้วไม่ใช่เราฝึกจนกรนทั่งเราเห็นเลยว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราหรอกอนี่เป็นวิธีเดียวนะที่จะฝึกจนเห็นว่ากายกใจนี้ไม่ใช่เรา สงสัยว่าคนฝึกไปมากๆนี่มันจะออกมาเป็นเป็นประเภทเดียวกันหมดเนะเหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่ ร, ราชาหันไม่ใช่หุ่นยนต์นะแต่พระราหันเห็นขันเนี่ยทํางานไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะดีแล้วไม่ไปแข้งแ้งเป็นหุ่นยนต์หรอกแต่เวลาเดินนี่แบบมันจะมันจะรู้สึกตัวเองไม่ใช่ตัวเองได้ดีขึ้นนะนั่นแหละฝึกไปแล้วรู้สึกไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรารู้สึกไหมกิเลส หรือกุศลก็ไม่ใช่เรานะมันมเป็นอะไรที่อยู่ห่างๆไปหมดอ่ะไม่เคยหยิบขึ้นม า, าดูไม่ต้องหยิบไม่ต้องรู้ไปอย่างรู้ไปอย่างที่ฝึกอยู่ทุกวันนี้ใช่ได้แล้ว<อ>จิตเปลี่ยนไปมากแล้วเห็นไหมว่าทำแล้วได้ผลจริงๆนะมันเป็นวิธีที่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะเห็นเลยตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้ากายกับใจทํางานไปเรื่อยๆแต่ไม่มีตัวเราพอไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ล่ะขันห้าทุกข์ แต่เราไม่ทุกข์ละธรรมาส ก, การหลวงพ่อค่ะเลื่อมเลยค่ะอือไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ว่าเวลาตามรู้เนี่ยเหมือนมันคิดเอาเองนะคะหเหมือนคิดเอาเองนะคะ<ม>เวลา ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วรู้สึกไหมใจเราโปร่งโป่งใจเราโล่งโล่งเบาๆใจเราบางทีก็สงบมีความสุขขุดขึ้นมาเองค่อยๆฝึกไปดีอยู่แล้วขอบพระคุณค่ะแต่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยรู้สึกตัวนะคะไม่เป็นไรรู้สึกเราไปคิดว่ารู้สึกตัวต้องชัดยิ่งๆรู้สึกตัวไม่ได้ชัดกลิบอย่างนั้นหรอกรู้สึกเล่นๆอย่างนี้แหละใช้ใช้ได้นะคะใช้ได้ ร, รู้สึกไหมสบายใจ ใจโล่งๆนั่นแหละถ้าฝึกแล้วใจโล่งๆนะครับก็ใช้ได้อยู่ถ้าฝึกแล้วใจแข็งๆก็ใช้ไม่ได้อ๋อคนนี้อายุเท่าไหร่จะส่งกันบ้านดนะ้วยจะถามนะครับจิตกับความคิดต่างกันยังไงครับจิตกับความคิดโอ้ยตอบยากใครจะตอบให้นั่นเอาอาช่วยตอบหน่อยเ อ, นนะ เ, อเอาไมโครโฟนไปให้พระนั่นไป ว่าไปให้หลวงพ่อตอบเองให้ช่วยหลวงพ่อบ้ะงอนนี้คนน้อยๆค่ะหฮะว่าไงเอาไม่ไปคืนเด็กใครจะตอบให้ได้บ้างจิตกับความคิดต่างกันยังไง ที่หลวงพ่อให้อาไปตอบนะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะตอบอยังไงที่เด็กยัเข้าใจมันตอบยากนะอย่างแหมอายุเท่าไหรอ่อ่ะครับสิเหรออย่างเวลาเราคิดเนี่ยรู้สึกไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดคการที่เรารู้รู้เรื่องที่คิดเนี่ยนะเป็นแบบหนึ่งนี่เรียกว่าเรารู้ความคิดแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดี คนที่ฝึกภาวนาเป็นแล้วนะเราจะไม่ได้สนใจเรื่องที่คิดอแต่เราจะรู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่เวลาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมฟังสลับกับคิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหม <c oughs> เขานั่นแหละเวลาที่เราฟังนะเราก็รู้ทันว่าฟังเวลาที่คิดเรารู้ทันว่าคิดอย่างนี้เรียกว่าเรามีจิตที่เป็นคนรู้แต่ถ้าเรารู้ไม่ทันตรงนี้นะจิตไปคิดปุ๊บเราจะไปรู้เรื่องที่คิด เรื่องที่คิดนั่นแหละเป็นเรื่องของความคิดจิตเป็นคนไปรู้ความคิดจิตเป็นคนคิดแล้วจิตก็ไปรู้ความคิดอย่างตอนนี้แอบไปคิดแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ออรู้จักโกรธไหมครับผมโกรธบ่อยไหม <c oughs> ก็บ่อยอ่ะเออรู้จักโลภไหมโลภรู้จกักเ <c oughs> นี่ยรล้เก่งนะสิบอ็ดขวบรู้จักโลภด้วยรู้จักเผลอไหมใจลอยเมือ่อเมอเป็นไหม <c oughs> เป็น ต่อไปนี้นะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ไปเรื่อยๆใจลอยไปก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้รู้ตัวเองนะไม่ใช่ไปรู้ว่าโกรธแม่อะไรย่างนี้ไม่ได้นะให้รู้ว่ากำลังโกรธถ้ารู้ว่าโกรธแม่อันนี้เรียกว่ารู้ความคิดถ้ารู้ว่ากำลังโกรธนี่เรียกว่าเรารู้จิตให้รู้จิตไปเรื่อยๆรู้ความรู้สึกแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไมเด็กสิบเ็ดขวบก็รักัดได้นะ ใช้ได้ต่อไปถ้ามันจะเก่งกว่าหลวงพ่อกว่าหลวงพ่อจะดูเป็นแนละ้วต้องอายุ29แล้วนมาจารหลวงพ่อก็เชา้านี้คิดถามนลงพ่อ ใ, ใจมาตลอดเลยค่ะเราอะไรมามาจอันนี้เลยคิดว่าโอกาสที่ได้มาก็น้อยอยากให้อลงพ่อเมตตาชีแนะ หลวงพ่อคะแนนมันเต่เช้าแล้วนะหันรู้สึกตัวไปนะรู้จัก <S <S ใจลอยไหมล่ะก็ปล่อยอะค่ะปลออ่อยยิ่งดีถ้าใจลอยแล้วเรารู้ว่าใจลอยเรือว่าเรารู้สึกตัวทีนี้บางที่ว่าบางที่ไม่แน่ใจว่าเราซ่านหรือ ว, รรว่าเราคิดนะเพราะว่าคิดเยอะอะค่ะให้รู้ว่าคิดนะคิดเยอะแล้วลำคาญ ให้รู้ว่าลำคาญรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆคอยรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆนะความรู้สึกเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นมันคิดคิดคิดไปบางทีก็สนุกขึ้นมารู้ว่าสนุกที่คิดไปแล้วลำคาญขึ้นมารู้ว่าลำคาญคิดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอันนั้นเกิดขึ้นมารู้ความรู้สึกในใจเราซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฝึกอยู่ทั้งนี้พอแล้วล่ะทีนี้ก็แต่ก่อนปฏิบัติ แบบมันนะี่ไม่ได้ทักเลยก็จะเรียนหลวงพ่อว่าต้องเอาอะไรเครื่องอยู่จากที่พ่อแนะนำใี่ไหมคะเคยใช้กรรมฐานอะไรล่ะ่็คือถนาดสวดมากกว่าอา่อ่ะส่งไมไปให้เขาเปลี่ยนฐานให้เดี๋ยวหลวงพ่อจะตอบถนัดสวดมนนะคุณสวดมนไป สวดมนต์แล้วคอยดูใจของตัวเองซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นสวดมนต์อยู่แล้วก็แอบไปคิดเคยเป็นไหมเป็นบ่อยเลยใช่ไหมแต่เดิมไม่รู้ใช่ไหมว่าสวดมนต์แล้วแอบไปคิดแต่ตอนนี้พอหัดดูจิตดูใจเป็นเราจะเห็นเลยพอสวดมนต์แว บ, บเดียวก็หนีไปคิดละให้เรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดและ้ะพอสวดมนต์ไปจิตใจมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขเนะี่ยรู้สึกไหมใจเราไหลไปหาไมโครโฟนเมื่อกี้ให้รู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆจิตใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆ เมื่อกี้ถือว่าไหลไปแล้วหรอคะใช่มองไปแว บ, บหนึ่งนี้ก็นนกไหลไปแว บ, บหนึ่งอ่ะนะเห็นไหมในขณะที่มองนะลืมตัวเองไปแว บ, บหนึ่งเมื่อไรเราลืมกายเมื่อไหรเราลืมใจนะเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติเมื่อไหรรู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่ามีสติเนี่ยไปอีกแว บ, บหนึ่งละรู้สึกไหมเดี๋ยวนี่หัดอย่างนี้เรื่อยๆนะสวดนมนต์ไปสวดมนต์อะไรฮังซัมมาอะไราก็สวดไปนะแล้วใจนีแวบบแวบบแวบบไปรู้เรื่อยๆไป ต่อไปร่ใจแค่ขยับกระเยือนนิดนิดหน่อยๆเราก็จะมองเห็นหลวงพ่อค่ะอีกนิดหนึ่งนะคะเมื่อสองเดือนก่อนนะคะหลวงพ่อบอกว่าอย่าให้จิตไปซึมกับความคิดกับเวทนามากอมอมตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลย<า>รู้สึกไหมไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหมปร่งโปร่งโล่งๆลงมากขึ้นค่ะดีแล้วมีพัฒนาการที่น่าพอใจนะ เล้วเราก็เข้าใกล้ความไม่ปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นก็เมื่อกี้ยังเติงๆอยู่นิดนึงอะค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามันพอดีพอดีค่ะใช่ได้กดูไปเรื่อยๆนะค่ะสังเกตไหมแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยค่ะแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันค่ะตั้งแต่มานั่งนี่ไม่รู้กี่ครั้งเลยเยอะมากอิจฉาบ้างยังมีไหม อีฉามเป็นการกระแถวหน้าหน้าค่ะ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> แต่ก <laughs> ็คิด <laughs> ว่าสักวันก็คงเป็นตัวเองว่า <laughs> เนี่ยรู้สึกไหมว่าโอ้เขาเก่งเรายัางไม่เก่ง<า>ความรู้สึกเปรียบเทียบนะเป็นกิเลสอีกชนิดหนึง่งชื่อว่ามานะามานะมีหลายแบบนะมันเป็นการเทียบกันเป็นการเทียบเขาเทียบเราเรารู้สึกเขาเก่งเราไม่เก่งนี่ก็เป็นมานะอย่างหนึ่ง รู้สึกว่าเขาสู้เราไม่ได้เราเก่งกว่านี่ก็มานะอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยพอๆกันแล้ววะนี่ก็มานะอีกอย่างหนึ่งนะนี่มันจะเทียบเขาเทียบเราไปด้ยเราก็รู้ทันมันนะรู้ทันทุกอย่างอะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราค่อยๆเรียนรู้ไปกิเลสนะรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะดูพอกิเลสละเอียดแล้วหน้าตาไม่เหมือนกิเลสละอย่างบางทีเรารู้สึกว่าโอเคเขาเก่งอย่างเลยเราจะต้องเอาอย่างเขาให้ได้นะเนี่ย เรารู้สึกว่านี่เป็นกุศลนะจริงมันแอบเปรียบเทียบไปแล้วหรือบางทีจิตของเราเนี่ยเราภาวนาอยู่แล้วจิตมันดิ้นหล่นพลก้าขึ้นมาเราก็คิดว่าจิตจเจริญปัญญาความจริงจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่กิเลสพอละเอียดนะั่หน้าตาเหมือนกุศลเลยฟุ้งซ่านเราก็นึกว่าเป็นปัญญามีมานะขึ้นมาเรารู้สึกว่าเป็นความนอบน้อมถ่อตนเขาดีนะั้นเรายังไม่ดีอย่างเขาเลยกิเลสพอละเอียดนะันดูยาก เราก็ค่อยๆฝึกรู้ทันเป็นลําดับลําดับไปนะอย่างตอนนี้มันมันแวบแวบแผ่แผๆวๆอะค่ะหลวงพ่อใช่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แวบแว ป, ปัญหาอยู่ที่ยังตรึงความรู้สึกไว้นิดหนึ่งยังไม่ได้ปล่อยเต็มที่รู้สึกไหมค่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เป็นตัวของตัวเองนะแต่ถือศีลห้าไว้เพราะถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่มีศีลห้ามันคือฆาตรกรชัดๆเลยเนะ อ่ะเบอร์เจ็ดสิบแปดนี่หลวงพ่อพยายามจะหาคนมาช่วยสอนแล้วไม่ยอมช่วยไอเราเหนื่อยแทบตายวันหลังเร า, อางลองเอียงหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาลูกศิษย์ท่านมีเยอะนะอยู่ๆท่านก็เรียกเลยอ้าวองค์นี้เทศไม่มีการเตรียมตัวการแสดงธรรมของพระกรรมฐานนี่นะจะไม่มีโผจะต้องเทศสดๆร้อนๆเทศออกมาจากใจจริงๆ ธรรมะถึงจะเป็นของสดสดร้อนๆ้อนใหม่เอี่ยมนะธรรมะที่ใหม่เอี่ยมนี่แหละสู้กับกิเลสได้สดสดร้อนๆ้อนเลยนะธรรมะแห้งแลง้งไปท่องตำรามาเทศนะสู้กิเลสไม่ไดนะ้ไม่ถึงอกถึงใจงั้นท่านจะไม่ให้เตรียมตัวล่วงหน้าเอาเบอร์เจ็ดสิบแปดมาไปตอนจับไปกับตอนที่หลวงพ่อพูดระหว่างนี้คเปลี่ยนไปลงไปใช่่เปปลียนนไ ดีแล้วแต่ใจเราไม่ธรรมดาดูออกไหมครับผมเมื่อเช้าก็คิดแบบเหมือนคิดกับคนเนี้ครับเสื้อขาวนี่ครับหมอมอ้นเลยเนี่ยคิดแบบมันยินดีเขาครับแต่พอแวบเดียวรู้สึกว่ามันเหมือนปอมๆนะมันเหมือนมีชาอยู่ลึกๆอยู่ข้างในอืมดีอ๋อมันแค่แวบเดียวมาเห็นแบบมันมันเหมือนมันมันต่อเนื่องกันเห็นต่อเนื่องใช่ดีแล้วใได้ บอกครับตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยผมเคยลองกับเหมือนลองเล่นกับตัวเอ ง, งนะครับคือไปห้างหรือไปสิไปจุดที่เราชอบเนี่ยคือดูของสวยสวยงามดูผู้หญิงเดินผ่านอะไรอย่างงี้ยรู้สึกว่าเออของพวกนี้เราเราเคยชอบเพราะตอนที่สมัยหลายๆปีเรารู้สึกว่าเอ อ, เ, อ, อเราชอบผู้หญิงสวยสวยงามเป็นปกตินะครับ อ, อันนี้ระหว่างที่ ว, ว่างเนี่ยอยู่ในสถานที่เดิมระว่างที่ ว, ว่างกัน ทำสมาธิตัวเองลืมตาทำนะครับคือดูลมหายใจเข้าใจออกมันก็สงบลง mm. อืงนี้เราก็ปล่อยพยายาม เ, ยเราไม่มีอะไรทาก็เราปล่อยดูปล่อยใจให้ดูกับสิ่งที่เราเคยชอบเนี่ยมันแว บ, บออกไปเร็วมากนี่ก็ได้จุดหนึ่งมาจับจุดหนึ่งที่ว่เวลาเราหลงติดสมาธิหรือว่าเราเพ่งอะไรนี้มากๆเนี่ยเราไปสถานที่ที่เราชอบหรือไปหาสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะหลุดออกไปหลุดออกไป ง่ายกว่าเนี่ยจิตมันเคยชินจิตเนี่ยมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินแต่ถ้าเราทรงสมาธิอยู่ในขณะนั้นมันก็ไปตรึงไว้เฉยๆมันก็ไม่ไหลไปเราก็รู้สึกว่าเราเก่งแล้วมีพัฒนาการจิตไม่ไหลตามสิ่งที่ชอบอแต่พอแรงกดมดน่ะมันจะวิ่งใส่อย่างรวดเร็วเลยวิ่งเร็วกว่าปกติเพราะมันเก็บกดอย่างนี้ถ้าเกิดเรารู้จุดไหนเวลาเรา เพ่งมากๆหรือว่าเร า, าซึมอะไรมากๆเงี่ยเราไปวิง่งเราไปหาเปลี่ยนเปลี่ยนจากตรงนั้นไปหาสิ่งที่เราชอบมันก็นเหมือนเป็นการฝึดอย่างหนึ่งนะครับก็ล่อแหลมนิดหนึ่งนะเป็นการเสี่ยงใช่ไหมครับเสี่ยงเดี๋ยวมันชอบแล้วเผลอบุ๊บไปเลย <c oughs> เคยมีหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าหัดดูจิตตัวเองแล้วก็ไปทดสอบในห้างสรพรพสินค้าไปเห็นกระเป๋าสวย รู้ว่าชอบรู้ว่าอยากได้เผลอแวบเดียวนะกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วอ้าไปถึงไหนแล้วก็ช่วงหลังนี้มันจะเห็นแต่เกิดเกิดดับดับถูกแล้วดีแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าจะต้องแก้มีอะไรต้องแก้ไขไหมไต้องแก้สินะทาต่อไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้ภาวนาดีกันนะแต่ละคนหนูงพ่อเห็นแล้วชื่นใจนะ เหมือนหลวงพ่อปลูกต้นไม้ไว้ต้นไม้งอกงามวันหนึ่งก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมานกกาได้อาศัยอ้าวโยมบ้างไงมันไม่ทราบว่าทำอยู่มันดีแล้วยังหลวงพ่ออร่อยนะที่ปัจจุบันอยู่มันตันๆมันไปกดไว้ไหนขนาขเนี้ยรู้สึกไหมมันเหมือนจะไปต่อไม่ได้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีทางจะไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องไปไหนรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับ ใจอยากจะไปรู้ว่าอยากไปนี่รู้ลงไปลงปัจจุบันการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันลูกเดียวเลยเราไม่ได้ฝึกให้ไปไหนนะเราฝึกอยู่ที่เดิมนี่แหละครับคือทุกวันรู้แต่เกิดดับอยู่ที่เดิมนี่เองอนะ อ, อาการ เ, าเปลี่ยนไปเองครับอาการที่ว่าเห็นไตรลักษณ์นี่มั น, มนยมรู้สึกไหมจิตของโยมแต่ละวันไม่เหมือนกันจิตเราเปลี่ยน<ม>แปลงทั้งวั น, เ ห, นเหมือนกับว่า คิดเอาแต่ว่ามันไม่ไม่มีความรู้ตรงนั้นฮะหลวงพอไม่ไ ม, มันยังไม่สรุปให้ดูและเรามีหน้าที่ตามดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งเขาจะสรุปของเขาเองตอนนี้เราเหมือนกับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเห็นแต่ทุกอย่างไหลมาไหลไปรู้อยู่แค่นี้เองตอนนี้รู้แค่นี้พอครับนะีส่วนใจรักอะไรเดี๋ยวเ้าสรุปของเขาเองปัญหาของโยมขนาดนี้คือโยมไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งไว้นิดหนึ่งรู้สึกไหมข้างในมีส่วนที่แข็งแข็งอยู่ เราวิธีแก้ที่ทอย่าไปทำมันลืมเรื่องภาวนาซะแล้วรู้สึกตัวแต่โยมใช้ได้แล้วนะจิตของโยมไม่เหมือนเมื่อก่อนดูออกไหมจิตมันสว่า ง, าางขึ้นมาพัฒนาขึ้นนิดหน่อยเป็นพัฒนานะแต่ว่ายังติดอยู่นิดหนึ่งตรงที่ไปตรึงให้นิ่งแต่ว่าถ้าเลิกพูดกับหลวงพ่อแล้วออกไปข้างนอกอาจจะหายนะ <c oughs> มันเหมือนกับ ว, ว่าอยากจะให้มัน สงบระดับนึง<อ>แล้วก็เพื่อจะให้เห็นใจรักลืมซะลืมการที่จะให้สงบเนี้ยซะปล่อยให้เขาทํางานแล้วถึงจะเห็นไตรักถ้านิ่งอยู่อย่างนี้ไตรลักจะแสดงตัวไม่ได้นะต้องปล่อยเลยปล่อยแล้วจะเห็นไตรักเราจะเห็นเลยว่าจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขนะ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างเมื่อกี้จิตหายไปวูบหนึ่งรู้สึกไหมกนะ็เนี่ยเขาก็ เ, า เ, าเกิดดับให้เราดูไปเรื่อย เราอย่าไปตรึงไว้ไม่มีประโยชน์อะไรใจถึงถึงนะการที่เราไปตรึงความรู้สึกของเราไว้นะมันเหมือนอย่างเรากลัวจะหลงไปเราไปตรึงไว้เนี่ยมันเปรียบเทียบก็เหมือนคนอยากข้ามสะพานอยากจะข้ามสะพานแล้วไปมือเนี่ยไปจับราวสะพานไว้แน่นเลยนะขามันเดินไปมันไปไหนไม่ได้นะแต่ถ้าเราปล่อยมือที่เกาะราวสะพานเนี่ยขามันเดินไปแล้วเราก็ข้ามสะพานไปพอมันจะเซ่เราก็ค่อยเกาสะสักทีหนึ่งสมถาก็เหมือนกันนะ ถ้าเราติดอยู่ที่สมถะเราเดินวิปัสสนาไม่ได้เราข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ต้องใจถึงถึงอย่าไปกลัวว่าไม่ดีปล่อยมันปล่อยให้จิตมันทํางานตามธรรมชาติแล้วเราตามดูวันไหนมันเป๊จริงๆแล้วมันจะเข้าลกเข้าฟงจริงๆก็กลับมาทําความสงบนะให้ใจได้พักผ่อนพอใจได้พักผ่อนสงบพอสมควรแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานอีกไม่งั้นเหมือนเราไปจับราวสะพานแล้วไม่ยอมปล่อยข้ามไปไหนไม่ได้ สมรถะมันเหมือนราวสะพานเท่านั้นเ อ, องขบพระคุรับหลวงพ่อตอนหลวงพ่อเด็กๆนะพวก อ, อันธพานพวก อ, อะไรอย่างเงี้ยชอบไปนั่งตามราวสะพานในกรุงเทพมันก็มีสะพานเยอะนะไปนั่งอยู่ตามราวสะพานคอยแซวผู้หญิงอะไรเงี้ยใครเคยเกิดทันในกรุงเทพมีสะพานทําด้วยไม้บ้างไหมเนี่ยเรารู้เลยคนเจเนอเรชั่นไหน อตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพ่งดูสภาวะใหญ่เลยใช่ใช่ใชใช่ใช้ได้นะรู้ทันตัวเองว่าเพ่งอยู่แล้วมันก็ไม่เลิกด้วยมันเลิก ม, มันเคยชินครับก็ขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะมันเพราะอะไรเพราะว่าอยากดีใช่ให้รู้ทันความอยากเนี้ยถ้าเรารู้ทันความอยากความอยากไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ต้องไปประคองไว้เพื่อให้มันดี ให้รู้ทันต้นทางของมันต้นทางมันก็คืออยากดีนั่นึองอยากปฏิบัติอยากสุขอยากสงบอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอนะไรเงี้ยให้รู้ทันใจที่มันอยากนะถ้ารู้ไม่ทันใจมันก็จะไปปรุงแต่งความนิ่งๆิ่งทื่อ ๆ, ๆอันนี้ขึ้นมาแต่อย่างน้อยตอนนี้รู้แล้วว่าไปเพ่งไว้นี่พัฒนานะอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาเพ่งทุกทีเลยครับเออม<า>ไม่ต้องกลัวหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยกัดใครหรอก ใจเย็นๆสบายนะเรียนไปอย่างมีความสุขใจมันจะต้องฝันคลายสังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็เพ่งแรงเดี๋ยวคลายเดี๋ยวก็เพ่งแรงเดี๋ยวก็คลายตอนนี้คลายออกมาเนี่อ่าตอนนี้คลายให้รู้ไปอย่<ม>างนั้นไปส่งไปค่ะวันนี้ตั้งแต่ตื่นก็คิดอย่างเดียวเลยว่าจะส่งการบ้านให้หลวงพ่อแล้วพอเจอหลวงพ่อเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันกดอยู่ลึกๆอื ใชได้น ะ, นะแล้วก็จะมีแปลกใจนิดหน่อยเพราะว่าตัวเองแบบบางทีเห็นสภาวะอะไรใหม่ๆเรามักจะลงไปกับการแปลกใจแล้วก็จะไม่ได้ดูดต่อให้รู้เอานะวันหลังจะได้ไม่ต้องไปลงมันค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเวลาโมะโหอะค่ะบางทีก็จะเหมือนกับตรึงไว้หรือจะรู้สึกอึดอัดอยู่ในใจ แต่ช่วงหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลังจากที่เห็นว่ามันโมโหหรือไม่พอใจขึ้นมาเนี่ย ม, มันกลายเป็นว่าเราเห็นภาพที่เราแบบโต้อตอบเขาอะค่ะแต่ในความคิดแล้วคือมันมันก็แปลกใจว่าอ้มเราลายกาดขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยแหละเราภาวนาเป็นแล้วรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกเบาวกว่าเมื่อก่อนเห็นไหมภาวนาแล้วเห็นผลเห็น ไ, ไหม ถ้าทำอยู่หลายปีแล้วเหมือนเดิมตลอดสแสดงว่าทำผิดแน่ๆแตม่มันไม่สัมพันธ์กับความโกรธที่เราเรามีแต่เดิมใช่ไหมคะไม่สัมพันธ์นกันโกรธได้แต่จิตไม่ถูกความโกรธยอมดีนะภาวนา <S <S 2> <S 2> ว, วันนี้ภาวนากันเก่งๆเยอะเลยที่ที่ผมทำที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยขางนี้ของยมบังคับแรงไปนิดนึงครับนะรู้สึกแม่ใจเรานิ่งๆเรากลัวไม่ดี ว่าไปว่าไปในหลวงพ่อแย่งพูดในดในขณะที่เคยเคยลองเวลาเดินเนี่ยฟังซีดีของหลวงพ่อลรวบอกว่าให้ให้ดูว่ารูปนามในในขณะที่เดินเนี่ยก็รู้สึกว่าออพอเดินไปสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกมันจะงงงที่หัวฮะก็เลยไม่รู้ว่าที่ทำอยู่มันถูกต้องมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันพยายามจะรู้แยกรูปนามมากไป มันพยายามจะแยกว่าไอ้ร่างกายเป็นรูปธรรมใจอยู่ต่างหากเลยมันจงใจมากไปมากมากไปหน่อยหนึ่งช่วงหนึ่งมันจะงงๆไปให้รู้เล่นๆหน่อยให้ผ่อนคลายไป น, น, นิดนึงเดี๋ยวมันค่อยแยกได้เองถ้าจงใจจะดึงแยกออกมาแล้วจะเบลเบไปมันเหนื่อยเพ่งมากไปโยมรู้สึกไหมจิตของโยมตอนนี้กับจิตธรรมดาธรรมดานี่ไม่เหมือนกัน ตอนนี้มันคล้ายๆเราอัพกว่าความเป็นจริงทำให้แหม่มันโดดเด่นขึ้นมาเกินจริงพอหมดแรงทำตรงนี้นะจะเหนื่อยเลยให้รู้ทันนะรู้ไปเรื่อยไม่ต้องทำอะไรรู้ทันตัวเองไปเรื่อยนะได้อีกสองสามคนเมื่อก่อนก็จะเป็นประเภทชอบกดอารมณ์ตัวเองไวอะ <c oughs> ค่ะทีนี้พอหลังๆเนี่ยพอเริ่มเริ่มมาทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยพออารมณ์มันโกรธ มันตอบไม่ได้ว่าตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรอยู่อะค่ะมันอะไรนะตอบไม่ได้ว่าเรามีอารมณ์อะไรอยู่ไม่ต <tunnels S 2> ้องรู้ชื่อหรอกชื่อไม่สําคัญแค่รู้ว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วสภาวะนั้นก็อยู่หรือจะหายไปหรือรอะไรสภาวะนั้นทํางานของมันเองเราแค่เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาผ่านไปทุกอย่างไม่ใช่เราทุกอย่างทํางานได้เองดูไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้ว่าอันนี้คืออะไรชื่อไม่สําคัญนะ เคยได้ยินไหมว่านามนั้นสำคัญชะไหนไม่สำคัญแต่ <c oughs> คุณผู้ชายที่ใส่เสื้อจรเชียรู้สึกไหมใจลอยไปแล้วคุณเนี้ยเบอร์ร 80. อะไร80ดสอรู้สึกไหมตะเกียหลงไปหลงก็หลงไม่ต้องบังคับว่าไม่ให้หลงน ะ, ะเบอร์เจ็ดเชิญฟังหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วค่ะที่ศ า, าลาลุชิน้วก็ซีดีย่ะ ปฏิบัติมาก็มีทั้งส่วนมนต์แล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะปฏิบัติทางออพองหนอยุบหนอค่ะแล้วก็ก็ได้เรียนได้รู้เหมือนกันค่ะเวลาโกรธเนี่ยมันมีอารมณ์โกรธมามีโกรธขึ้นมาแล้วก็มีทุกข์กขึ้นมาทุกข์มากว่าเราบังคับไม่ได้แม้กระทั่งกายบางครั้งเนี่ยอย่างเวทนาเนี่ยมันก็ดูดูไปนะคะอย่างเริ่มปวดเนี่ยมันก็เห็น คือมีความรู้สึกว่าเราเห็นมันปวดแล้วมันก็ย้ายเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะเท่าที่ผ่านมาแต่บางครั้งมาถึงจุดนี้บางครั้งก็ยังคิดว่าที่ทำมาเนี่ยมันถูกหรือว่ามันเป็นยังไงถูกแล้วน ะ, ะเราอย่าไปฝืนอย่าไปต้านมันเรามีหน้าที่ตามรู้กายตามรู้ใจไปหรือเวทนาจะเกิดเวทนาจะดับหรือจิตจะไปรู้ตโน้นจิตจะไปรู้ตนี้เราไม่ได้เลือกรู้สึกไหม เ น, ะะนี่ยเราดูไปเรื่อยจนเราเข้าใจความจริงอะจิตมันทํางานได้เองเราไม่ได้สั่งมันนะถึงจุดหนึ่งเห็นเลยมันไม่ใช่เราเหรอกมันทํางานได้เองคือแต่เดิมเนี่ยตอนที่เรียนตอนที่ทำกรรมฐานตอนที่ไปปฏิบัติเป็นใหม่เนี่ยเขาจะเดินตามที่ท่านสอนนะคะพอตอนหลังเนี่ยพอมันก็จะมีการเกรงคือเข้าไปจับจนบางครั้งก็ป่วย แต่ถ้าสมมติตอนที่ไปใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้อะไรกับรรทำทีดีค่พะพอหลังๆเนี่ยมันไปติดเนี่ยปี๊ปยึดแน่นเป็นยึดแน่นก็เลยเพอมันแก้ไม่ตกก็เลยไม่สนใจมันก็ปล่อยวางเฉยๆพอวันนึงมันก็ปล่อยพอมันปล่อยปุ๊บเนี่ยรูปแบบของการอย่างเดินจงกรมเนี่ยแต่เดิมเราจะดูที่เท้าเนี่ย พอเรานี่ยมันจะมาดูที่คูเหยียดเฉยแล้วรู้สึกว่าเวลาเดินเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวมีความสุขกับการเดินเห็นรูปมันเกิดดับหรือค่อยๆเกิดค่อยๆดับแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะมาที่จิตจิตมันก็จะแบบไปคิดเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ยแต่แล้วก็บางทีมันก็ไม่มีมันไม่บอกเมื่อก่อนมันจะบอกว่าเนี่ยทิ้งคำบริกรรมไปเอง มันจะรู้ว่าเนี่ยคืออันนี้เสียงมากระทบก็จะรู้ว่ามันมากระทบแล้วบางทีมันไหลมาทิจจัยอะไรเป็นลักษณะแบบได้แหละโยมฝึกอย่างนั้นแหละใช้ได้ใช้ได้แต่บางครั้งตอนนี้มันรู้สึกเหมือนจะขี้เกียจอย่าขี้เกียจสินะมันขี้เกียจมันแบบว่าบางครั้งรู้ขึ้นมาอยากจะทําแต่มันมีความรู้สึกมันไม่ถึงตรงไหนอะค่ะมันก็เลยให้รู้ทันว่าขี้เกียจ ค่ะไม่ถึงตรงไหนมันไม่ได้จะไปถึงตรงไหนนะคะมัน<ข>จะต้องไปถึงตรงที่เราเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนะเขาทางานของเขาเองเขาไม่ใช่เราตัวเราไม่มีจะไปถึงตรงนี้ก็มีค่ะมีความรู้สึกมบงับงคับไม่ได้เวลามันโกอดเห็นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะถึงบางครั้งเนี่ยมันหยุดไปละหลุดไปแล้วเจอใหม่ก็เป็นอีกเจอเจอใหม่ก็เป็นอีกทั้งทั้งที่เารู้ไม่ดีมันก็บังคับไม่ได้ใช่นั่นแหละธรรมะถ้าบังคับได้ไม่ใช่ธรรมะนะ เป็นอาธรรม <c oughs> ดีใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้ที่โยมใช้ได้เพราะโยมเลิกกาหนดไปแล้วเขาเลิกกาหนดใช่ไหมเราเห็นกายเห็นใจเขาทํางานของเขาตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเขาก็สอนไตรลักษณ์ตลอดเลยว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกคือจะเรียนถามหลวงพ่ออีกอันหนเวลาสวดมนต์เนี่ยมีความรู้สึกมันผุดออกมาเป็นคำคำใช่สแสดงว่ามันเป็นคิดใช่ัหมคิดออกมาใช่ไหมเป็นอา ก, การของการคิดใช่จิตมันตรึกขึ้นมาเป็นคำคำคำค่ะ <c oughs> ถ้าสมมติถ้ามันหลุดออกไปจากตรงเนี้มันก็จะไปคิดเรื่องอื่แสดงว่า เ, <ล>เราเเผอใช่ลักษณะแบบแต่เราไม่บังคับว่าจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้บังคับไม่บังคั บ, บ, ครบเราก็จะเห็นเลยเอ๊ะเขาจะตรึกเขาจะคิดเขาก็คิดเขาจะเผลอเขาก็เผล อ, ลอนะบังคับไม่ได้เราจะไม่รู้ว่าคํานั้นเป็นอะไรเวลามันหลุดขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติเรารู้ว่าเป็นอะไรนั่นคือเราคิดใช่ไหมคะใช่เป็นบัญญัติแล้วแต่ตรงที่จิตคิดเนี่ยอันนึงนะจิตไปรู้เรื่องที่คิดเป็นอย่างอัน อันนี้อาศัยสัญญาเข้าไปแปลธมศสกายขอบคุณดีนะฝึกไปแล้วชีวิตจะมีความสุขเยอะขึ้นเรื่อยๆอเราจะเห็นทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่เราจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆเลยแต่เรามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ แต่บางทีมันเวลานั่งไปเฉยๆเวลาภยายามมีคำนัมเวลานั่งภาวนาไปเฉยๆอ่ะภาวนามันเหมือนกับไม่มีอะไรอะคะมันเหมือนกับเฉยๆอ่ะท่านเฉยๆรู้ว่าเฉยๆแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันระหว่างกลางกับไม่เป็นกลางยังไงกุศลกับอกุศลเนี่ยเราก็มองไม่ใช่ทั้งสองันไม่จําเป็นละนะเมื่อเราเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ผ่านไปเห็นแค่นั้นพอละกุศลหรืออกุศลไม่มีความหมายอะไรละ วันนี้น้องชายพามาหายมพยายามจะมาแล้วมาไม่ถูกต้องขอบคุณน้องชายเออไหนน้องชายอยู่ไหนโอ้ดีอุตส่าห์พาพี่มาดีนะน้อมาสักการันค์ค่ะหลวงพ่ อ, อก็ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนตื่นเต้นด้วยค่ะอย่าไปกลัวหลวงพ่อนะอย่าตื่นเต้นแบบกันเองนะเรียนธรรมะเรียนกันอย่างมีความสุข ค่ะก็มาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกเหมือนเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าปะคองอเป่าเห็นกเลบ่อยไหมเห็นกิเลสบ่อยไหมก็เห็นบ้างอะค่ะยังประคองไว้นิดนึงคะถ้าประคองอยู่ใจมันจะนิ่งๆทื่อๆอยู่ประคองไว้เยอะไหมคะไม่เยอะอะไม่เยอะนิดหน่อยมันเคยชินที่จะทํากรรมฐานอย่างเดิมเคยชินที่จะกําหนดนอะไรเงี้ย ก็จะนิ่งๆอยู่เมื่อกี้เผลอไปแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมเหมือนเหมือนจะรู้แต่ไม่ค่อยชัดอะไม่เป็นไรรู้เท่าที่รู้ได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรนะแล้วก็ค่อยตามดูไปเรื่อยๆตามดูนะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาแล้วฟังซีดีหลวงพ่อใหญ่ขี้เจดนะฟังไปเรื่อยๆฟังเล่นๆนะแปสกทรงแปลกมันนอสการครับ มาหางพ่อหลายครั้งนะครับก็ฟังคนอื่นพูดแล้วก็เอาไปใช้ก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นเห็ น, เ ห, นเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจได้ไ ด, ได้บ่อยขึ้นนะครับดีนะครับฝึกไปแล้ววันหนึ่งไม่ถูกนะครับคนก็ทั้งโลกเขามีความทุกข์เราไม่ทุกข์กับเขาหรอกดีละโมทนาครับก็สองทิศนี้รู้สึกว่าได้รับความร่มเย็ยนเยอะขึ้นนะครับครับไปได้อีกสองคน นมาส ก, การเจ้าค่ะคือปกตินี่ถ้ารู้สึกตัวนี่จะดูแบบเป็นผู้รู้กับ<ม>สิ่งที่ถูกรู้แต่<อ>นี้เมื่อที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่สภาวะหนึ่งคือมีความรู้สึกเหมือนมีตาเพิ่มมาอีกหนึ่งดวงอะค่ะตานี้ไม่อยู่ข้างในแล้วก็ไม่อยู่ข้างนอกอค่ะแล้วก็จะเห็นความคิดเนี่ยไหลามาไหลไป<อ>นั่นแหละคือใจซึ่งมันรู้รตื่นขึ้นมานะใช่ใจที่ตั้งมั่นอยู่ในทาง ใจมันรู้มันตื่นมันเบิกบานอยู่ในธรรมะมเห็นหทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายทั้งใจเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วอย่างงี้สภาวะที่เคยรู้อย่างปกติที่ถือว่าเป็นรู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานหรือเปล่าคะพระอาจารย์อย่าไปกังวลอย่างนั้นน ะ, ะไม่ต้องไปตั้งไอตัวนี้ไว้ตลอดเวลานะมีก็มีไม่มีก็ช่างมันเจ้ค่ะอ่ะไปได้นมัสการค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนำบ้าะไม่ทราบว่าทำถูกหรือเปล่า คอฝึกไปเรื so ite, you know, ่อยๆนะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนแปลงทั้งวันรู้สึกไหมรู้สึกใช้ได้ฝึกไปแต่บางทีรู้สึกเหมือนกับมันเหมือนกับไม่ค่อยรู้มันเบื่อยากรู้ทื่อๆอยู่รู้ว่าทื่อๆที่ทื่อๆเราเพรเราไปบังคับไว้ไปกดเอาไว้ก็ทื่อๆนะอ่ะเบอร์20่สิบคนสุดท้ายน้สการ์ับหลวงพ่อผม ก็ปฏิบัติมาอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าก็อย่างเรื่องการรู้อย่างอย่างพวกอารมณ์ต่างๆเกิดเนี่ยก็จะรู้รู้ตามก็แบบว่าก็จะรู้ทันเรื่อยๆก็ mm hmm. จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะน้อยลงเยอะแต่ว่าเรื่องการรู้กายเนี่ยเวลาดูเนี่ยไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าเวลาเรารู้กายเราจะรู้สึกเหมือนมันเป็นอะไรสักตัวหนึ่งนะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูมันเท่านั้น อย่างอย่างที่ดูอย่างที่ดูถูกเนีตอนนี้เหรอลองดูให้หลบงพ่อดูสิเนี่ยรู้สึกไหมเราทรงใจเราถลำลงไปดูกายอย่างนี้ไม่ได้นะใจไม่ตั้งมั่นเราต้องใจไว้ใจอยู่ห่างๆใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆใจไม่ถลำเข้าไปแค่รู้สึกถึงปามมีอยู่ของกายไม่ต้องไปเพ่งใส่กายรู้สึกว่าร่างกายมีอยู่แค่นั้นพอละแค่รู้สึกว่าร่างกายมีอยู่เอ่แค่นั้นพอละ ไม่ต้องไปเพ่งใส่ร่างกายนะแค่รู้สึกว่ากายมีอยู่ครับแล้วอย่างวิปัสสนาที่ทําอะครับไอ้อย่า ง, อ ย, างอย่างสมถตาที่ทำเนี่ยผมทําการกําหนดลมหายใจพอทำํำพอทําแล้วก็เคยทําตอนที่ก่อนจะก่อนจะนอนนะครับพอทําแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ไม่ได้ฝันอืแล้วตื่นขึ้นมาก็ตลอดคืนก็ไม่ได้ฝันแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้เพลียอืแต่ว่า พอปกติเนี่ยยังปกติถ้ากันนอนไม่ได้ทำใช่ไหมครับบางทีอย่างหลวงพ่อยังฟังในซีดีน่ยลวงพ่อบอกว่าน่าจะได้พักบ้างนอนไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำเนี่ยนอนแล้วก็ฝันแต่ว่าฝันบางครั้งก็เราก็จะรู้ว่าฝันอยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้ใช่ใชไหมครับที่ทำอยู่ถ้า <ทำ S 1> ต้องการพักผ่อนนะก็ทกําความสงบเข้ามาแล้วพักให้เต็มที่ไปถ้าเราพักพอแล้วเนะี่ยจิตมันจะถอยขึ้นมาทํางานเองถึงคุณจะไปทําลมหายใจก่อนนะต่ อ, อไปสติมันเร็วมันแรงขึ้นนะจิตขยับข้างในนี้มันก็รู้สึกเลย ฉะั S <S ้นจะพลิกซ้าย <S <S พลิกขวาอะไรนี่รู้ทั้งคืนเลยตอนตอ น, ตอ น, ต, อนตอนที่ตอนที่กําหนดลมหายใจแล้วหลับไปครับก็ทราบเพราะว่าจะรู้จะรู้ตลอดว่านอนยังไงอะไรย่างเงอจะอรู้ตลอดครับแล้วจะเห็นเลยตัวที่นอนอยู่มันไม่ใช่เราหรอก <S <S พลิกไป <S <S พลิกมานะสั่งมันไม่ได้ด้วยครับอย่างสั่งให้กระดิกนิ้วกระดิกไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าแบบมันเป็นการหลงดูหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยครับหลงดูนี่หมายถึงใจเราถลําลงไป คุณลองกำหนดลมหายใจให้หลวงพ่อดูซิได้ครับเนี่ยรู้สึกไหมเราส่งใจไปดูลมถ้าเราจะส่งใจไปดูลมก็เรียกว่าหลงหลงดูนะเอาคุณถอยขึ้นมาได้แล้วรู้สึกไหมมันซึมออกมาถ้าเราส่งใจไปดูนะใจจะซึมซึมไปเลยให้เราสักว่ารู้สักว่าเห็นร่างกายหายใจอยู่อย่าให้ใจถล่มลงไปอยู่ที่ลม คนไหนจะดูเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็าสักแต่รู้สักว่าเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ไปเพ่งใส่เท้าอะไรอย่าเงี้ยคืออย่าไปเพ่งใส่ร่างกายให้แค่รู้สึกว่ามันมีอยู่เท่านั้นแหละรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้หายใจอยู่เราเป็นคนดูวันนี้ได้แค่นี้นะเชิญโยมกลับบ้านสิบโมงพอดี